Book 2ูสี่สิบห i เซสินสี่สในดิสกเทกที่นั่งนี้ว่างไหมคะแอสติสตูว์วที่ฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ มักแอคยิ่งสุเชิญค่ะเสียกคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะอู๊เอ้าใหญ่ฟันดีมาซิเสียงดังไปนิดค่ะอับบ t กิตาร d แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ r ai, die groep speel baie goed. คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะกลุ่มใหญ่คืเรียวตีนั่งจืดไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกค่ะเนียนี่เป็นครั้งแรกค่ะดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะคุณอยากเต้นรำไหมคะต้อนเซย อีกเดียวอาจจะไปค่ะมสกนลตรดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะก้งดดนสนี่ง่ายมากเลยค่ะดตสมลดิฉันจะแสดงให้คุณดูไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าค่ะเนียลิเวอร์เออันเดอร์เกียร์คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะว่าใช่เฟร์อิมนใช่ค่ะรอแฟนอยู่ยอเฟอร์ไมฟริงเขามาแล้วค่ะตอร์กม